บทที่ 5. การศึกษาเรื่องกรรมเพื่อการละกิเลสโดยธรรมดาการศึกษาเรื่องกรรมเพื่อการปฏิบัติในอันที่จะละกิเลสกับการศึกษาเรื่องกรรมเพื่อการอยู่ดีกินดีหรือเพื่อความมีศีลธรรมหลักเกณฑ์ในการศึกษามีข้อแตกต่างกันอยู่มากกล่าวคือถ้าหาจะศึกษาเพื่อการละกิเลส เราจะต้องเชื่อเฉพาะข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเรื่องอันใดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรือยังไม่ได้เห็นตัวอย่างชัดเจนต้องตัดออกไปก่อนจะจริงหรือไม่จริงยังไม่ต้องเอามาคิดแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธส่วนผู้ที่ศึกษาเพื่อการอยู่ดีกินดีหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นโดยลาดับ การศึกษาอย่างนี้จะต้องอาศัยความเชื่อตามคาภีเป็นหลักสำคัญแม้ว่าเรื่องวางเรื่องจะแทงไม่ตลอดตนเองไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ก็จำเป็นต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะเหตุที่การศึกษาเรื่องนี้มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นนี้ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยมากมักจะามาปนกันให้ยุ่ง แล้วก็ถกเถียงกันเสียเวลาโดยใช่เหตุและยิ่งกว่านั้นก็มักจะเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกเป็นพวกนั้นพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาโดยรอบครอบเ็าเคยเห็นช้างทั้งตัวมาแล้วคนประเภทนี้จะไม่ยอมเถียงกับคนตาบอดที่คลําช้างซึ่งใ น, นเมื่อคลําถูกส่วนไหนก็ทึกทักเอาว่า ช้างมีลักษณะอย่างที่ตัวเองคลาอยู่และปัญหาที่ยุ่งยากอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหากผู้สอนและผู้รับการสอนไม่แยกประเด็นออกพิจารณาตามฐานะของตัวหรือตามความต้องการของตัวแล้วก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดความสงสัยไม่รู้จักสิ้นสุดซึ่งนับว่าเป็นอันตรายต่อการฝึกสมาธิไม่น้อย อย่าลืมว่าวิจิกิจฉาคือความสงสัยหรือความไม่แน่ใจนั้นเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเฉพาะในที่นี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะที่บายเรื่องกรรมในแง่ของการปฏิบัติเพื่อหวังผลในทางสมาธิซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราเข้าใจเรื่องกฎของกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ก็จะช่วยเราเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นและสามารถจะกำจัดความฟุง้งซ่านอันเกิดจากความโลภหรือเกิดจากราคะตัณหาหรือเกิดจากโทสะได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าหาข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ขัดแย้งกับความรู้สึกของท่านก็ขอให้พยายามอดใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งนึกขัดคานหรือตั้งแง่รังเกียจ แต่ก็ไม่ควรจะเชื่อข้าพเจ้าทันทีต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงเชื่อข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าตามหลักปฏิจจสมุปบาทพรพพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่ากรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุศลปุญญาพิสังขารหรือเป็นบาปอปุญญาพิสังขารทั้งหมดที่ว่านี้ ล้วนแต่เกิดมาจากอาวิชชาเป็นปัจจัยถ้าวิชาไม่มีกรรมก็ไม่มีขอได้โปรดนึกถึงตัวอย่างเรื่องเด็กทารกจับเตาไฟซึ่งอธิบายมาแล้วในฉบับก่อนขอได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้เพราะความไม่รู้ของเด็กและเพราะความอยากจะจับเล่นผลที่ได้รับก็คือ มือพองหรือมือไม่ขอให้สังเกตว่ากรรของเด็กทารกอันนี้ไม่มีบุคคลภายนอกหรือไม่มีสิ่งอื่นเป็นผู้ลงโทษเด็กเด็กทำผิดจึงต้องได้รับโทษเพราะความผิดอันนั้นแต่ในบางกรณีอาจจะถูกผู้ใหญ่ลงโทษซ้ำเติมด้วยการเคี่ยนตีหรือด้วยการดุด่าก็ได้ แต่จะมีคนอื่นลงโทษหรือไม่ก็ตามตัวความผิดก็ได้ลงโทษอยู่แล้วหลักความจริงมีอยู่ว่ากิเลสคือตัวต้นเหตุแห่งความทุกข์ในความหมายอันนี้การกระทําอันใดก็ตามซึ่งถ้าหาเกิดจากกิเลสก็ถือว่าเป็นบาปหรือเป็นการกระทําที่ผิดเพราะในเมื่อเราทําตามกิเลส ปล่อยให้กิเลสบังคับเราได้ทุกครั้งที่ทำด้วยกิเลสนั้นวิบากของกิเลสก็จะต้องเกิดขึ้นในสันดานเสมออันนี้ไม่มีข้อยกเวียนเลยตรงตามคำอุปมาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นและโปรดสังเกตว่าผลที่ว่านี้ก็คือวิบากซึ่งมีอยู่ในสันดาน ไม่ได้หมายถึงผลที่เป็นวัตถุหรือผลที่แสดงออกมาในภายนอกซึ่งในกรณีนี้อาจมีข้อยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะว่าผลในภายนอกที่จะเกิดขึ้นนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเหตุอีกสีอย่างคือคติอุปธิการะและประโยคคะ เหมือนเหมือนกับเมื่อเราปลูกข้าวซึ่งถ้าการปลูกนั้นถูกต้องตามวิธีธรรมชาติของมันเราก็ต้องได้ข้าวอย่างแน่นอนและได้ข้าวชนิดเดียวกับที่ปลูกส่วนในกรณีที่ว่าเมื่อได้ข้าวมาแล้วจะได้เงินหรือไม่จะมีความทุกข์และความสะดวกสบายจะมีชื่อเสียงหรือไม่จะมีอำนาจหรือไม่จากการมีข้าวนั้น นั่นเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่นทำนาได้ข้าวดีได้ข้าวมากแต่ไม่มีคนซื้อเราก็ไม่อาจจะได้เงินจากการมีข้าวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎของกรรมที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนานถ้าพิจารณาในแง่ของการปฏิบัติเพื่อการละกิเลสแล้วเราจะไม่คำนึงถึงผลภายนอกเท่าไรนักเราอาจจะตัดออกไปเลยก็ได้และในกรณีนี้เองที่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนให้คนทำความดีโดยไม่ให้หวังสวรรค์ ท่านควรจะพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าต้นเหตุของกรรมคือกิเลสและกิเลสที่เป็นตัวสาคัญยิ่งก็คืออวิชชาตัณหาและอุปาทานถ้าหากว่าเราพูดอะไรหรือทำอะไรหรือคิดอะไรก็ตามด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานคิดไปตามกิเลสทำไปตามกิเลสพูดไปตามกิเลส ยอมให้เกลียดชักจูงไปการกระทำอย่างนี้แม้เมื่อมองดูในภายนอกจะเป็นการกระทำความดีก็ตามเช่นคนบางคนมีความเมตตามีความกรุณามีศรัทธาต่อความดีพยายามช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาแต่พร้อมกันนั้น ก็มีความรู้สึกบางอย่างที่เป็นกิเลสผลักดันอยู่ด้วยเช่นอยากจะให้เขารักอยากจะให้เขาเคารพนับถืออยากจะมีอำนาจหรือพระอยากจะไปเกิดในสวรรค์เพราะความอยากเหล่านี้สนับสนุนอยู่จึงได้ทำถ้าหากไม่มีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นในใจหรือมองไม่เห็นว่า ตนเองจะได้รับผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเป็นต้นว่าในเมื่อทำลงไปแล้วมองเห็นว่าชื่อเสียงก็ไม่ได้หวังจะให้คนเคาขรพนับถือก็ไม่ได้หวังจะให้มีอำนาจก็ไม่ได้ถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วไม่ทำก็หมายความว่าการกระทำความดีซึ่งถึงแม้ตามความรู้สึกของตนเอง หรือตามความรู้สึกของคนอื่นจะเห็นว่าเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์เป็นการกระทำที่ควรจะการสรรเสริญก็ตามถ้าพูดในความหมายของการปฏิบัติเพื่อการละกิเลสแล้วก็ยังเป็นการกระทำที่ไม่ดีอยู่นั่นเองเพราะอะไรก็เพราะว่าการกระทำอันนั้นยังเจือปนด้วยกิเลสเป็นการกระทำที่เกิดจากกิเลส ซึ่งจะต้องได้รับวิบากคือกิเลสประเภทนี้เจริญงอกงามขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ทำให้การละ ก, กิเลสนั้นเบาบางลงขอได้โปรดทําความเข้าใจให้ดีว่าการที่เราจะพิจารณาอะไรว่าดีหรือไม่ดีเป็นการบุญการกุศลหรือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลน้นเราจะต้องมาตกลงกันในเรื่องมาตรฐาน ที่จะยึดถือเป็นหลักในการตัดสินถ้าหากยึดมาตรฐานต่างกันก็ป่วยการที่จะไปโต้เถียงกันเพราะมันจะไม่มีทางลงเอ่ยกันได้เลยเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะพูดถึงในแง่ของการปฏิบัติเพื่อการละ ก, กิเลสก็หมายความว่าการกระทาอันใดถ้าหากเป็นการพอกพูนกิเลสก็นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งในเมื่อพูดตามสำนวนของพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นบาปหรือเป็นอกุศลแต่ถ้าหากพูดในแง่ของการที่จะต้องอยู่ในโลกต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดต้องการที่จะให้ชีวิตของตนค่อยๆดีขึ้นโดยลําดับเราจะเอามาตรฐานอันนี้มาใช้ไม่ได้ต้องยึดถือหลักในเรื่องอกุศ ล, ลกรรมบทสิบ กล่าวคือการกระทําอันใด ห, หรือการพูดอันใด ห, หรือความนึกคิดอันใดถ้าอยู่ในหลักของอกุศลกรรมมบทสิบก็หมายความว่าการกระทํานั้นเป็นบาปหรือเป็นอกุศลและถ้าอยู่ในหลักของกุศลกรรมมบทสิบหรืออยู่ในหลักของบารมีสิบก็หมายความว่าการกระทํานั้นเป็นกุศลเช่น คนที่ใส่บาตรหรือบริจาคเงินทําการกุศลต่างๆเพื่อหวังผลคือต้องการความร่ำรวยไม่ต้องการที่จะให้เกิดมายากจนซึ่งผลของการทําบุญอย่างนี้ก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของเขาการกระทําอย่างนี้เมื่อพูดในแง่ของการทําบุญเพื่อเวียนไหวาตายเกิดหรือพูดอีกในหนึ่งคือพูดในแง่ของ วัตคามีกุศลซึ่งแปลว่ากุศลที่เป็นไปเพื่อวัตต์การกระทําอย่างนี้จะถือว่าเป็นบาหรือเป็นอกุศลไม่ได้ก่อนที่เราจะพูดว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอย่าลืมว่าเราจะต้องนึกถึงหลักเกณฑ์ใหญ่ๆเสียก่อนว่าเราพูดกันในขั้นไหนพูดในขั้นวิวัตคามีกุศล หรือวัตคามีกุศลและอย่าลืมที่จะนึกถึงความต้องการและเพื่อนจิตใจของผู้ที่ฟังเราอยู่ซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะไม่เถียงกับใครเลยข้าพเจ้าเคยสังเกตมานานแล้วถึงความสับสนเกี่ยวกับเรื่องกรรมคนส่วนมากแยกประเด็นไม่ออกหรือพูดอีกในหนึ่งคือ เขาไม่เข้าใจแยกประเด็นออกพิจารณาและกำหนดมาตรฐานกันเสียก่อนเพราะอย่างนี้คนส่วนมากจึงไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องกฎของกรรมเพราะเหตุที่ตนศึกษาเรื่องนี้มาไม่แจ่มแจ้งความสับสนจึงได้เกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตใจของเราก้าวมาถึงขั้นที่มองเห็นแล้วว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์และมีความต้องการเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วว่าเดี๋ยวนี้ตนเองต้องการละ ก, กิเลสยิ่งกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดและได้เคยปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนามาจนได้รู้สํานึกแล้วว่ากิเลสเป็นภัยร้ายแรงอย่างไรถ้าความรู้สึกได้ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้ว การศึกษาเรื่องกฎของกรรมจะไม่มีเรื่องยุ่งยากแต่ประการใดแม้จะไม่ได้ตาทิพย์แม้จะไม่ได้เห็นโอปปาติกะแม้จะไม่ได้เห็นนรกและสวรรค์แม้จะระลึกชาติไม่ได้ก็สามารถที่จะมองเห็นชัดว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วอย่างแน่นอนเพราะตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีให้เห็นอยู่เสมอภายในจิตใจของเรานั่นเองตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่พยายามระ ง, งับปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วก็ทําอะไรลงไปด้วยความโกรธซึ่งในเมื่อเขาหายโกรธสติสัมปชัญญะกลับคืนมาแล้วเขาก็จะมองเห็นชัดว่าแม้แต่เพียงคิดที่จะโกรธใครก็ตาม ไม่ต้องถึงขั้นพูดหรือแสดงกิริยาออกมาเพียงแต่รู้สึกโกรธอยู่ในใจแค่นี้มันก็เป็นบาปแล้วและผลที่ได้รับก็เห็นทันตาคือใจไม่สงบใจไม่แจ่มใสทำให้เกิดความมืดมัวคิดทำไม่ออกตัดสินใจอะไรไม่ถูกต้องเข้าสมาธิไม่ได้ และถ้าหากปล่อยให้มันเกิดขึ้น บ, บ่อยมีบากของความโกรธก็จะมีมากขึ้นและถ้าหากไม่พยายามแก้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเสมอมันก็จะติดสันดานตราบใดที่ยังไม่แก้ทุกชาติที่เกิดมาไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามความโกรธที่มีอยู่ในสันดานนั้นมันจะต้องให้ผลที่กล่าวมาเสมอ ซึ่งผู้ที่มองเห็นเช่นนี้โดยธรรมดาจะต้องเป็นคนที่ซึ้งในคุณค่าของความเป็นคนใจเย็นได้เปรียบเทียบกันดูแล้วจากตัวอย่างต่างๆในใจของตัวเองเขาได้มองเห็นชัดแล้วว่าตราบใดที่ยังละความโกรธไม่ได้ความโกรธยังมีอยู่ในสันดานเขาก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนมีเงินมีอำนาจหรือไปเกิดในสวรรค์ก็ตามความโกรธที่มีอยู่ในส้นดานนั้นคือไฟนรกซึ่งมันจะต้องเผาอยู่เสมอจากตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังเพียงอันเดียวท่านก็จะเห็นแล้วว่าการศึกษาเรื่องกรรมในแง่ของการปฏิบัตินานความหมายชัดเจนปัญหายุ่งยากไม่มีเลย เข้าใจง่ายแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทั่วไปการอธิบายแบบนี้จะไม่สบอารมณ์ของคนส่วนมากเพราะคนส่วนมากยังไม่เคยมีความรู้สึกตั้งใจยอย่างแท้จริงว่าตัวเองจะพยายามละกเลิเลสยิ่งกว่าจะหาเงินทองหรือหาชื่อเสียง หรือแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินต่างๆเพราะจิตใจของเขายังก้าวมาไม่ถึงขั้นนี้เพราะฉะนั้นเราจะอธิบายเรื่องกฎของกรรมในความหมายของการปฏิบัติให้คนทั่วไปฟังย่อมจะไม่ได้ผลเพราะคนเหล่านี้จะไม่สนใจแม้จะพยายามฟังก็เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้น การสอนในแบบอื่นที่ต้องอ้างเรื่องนรกสวรรค์อ้างถึงผลแห่งกรรมที่จะสนองอย่างนั้นอย่างนี้ในชาติต่อไปจึงยังเป็นของจําเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็โปรดเข้าใจให้ถูกด้วยว่าที่พระเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าการสอนเรื่องนรกสวรรค์หรือการกล่าวถึงผลต่างๆในทางวัตถุ ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ทำกรรมตามที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วไม่เป็นความจริงตรงกันข้ามข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าคนที่ทำบุญด้วยการบริจาคทานจะเป็นเหตุให้เกิดมาร่ำรวยหรือเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ข้อนี้ก็เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาล่อใจโดยไม่เป็นความจริง ที่หอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเรื่องทารกจับเตาไฟเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใดทํากรรมผู้นั้นจะต้องได้รับผลเพราะกรรมนั้นเองซึ่งถึงแม้จะไม่มีคนอื่นมาลงโทษแต่กรรมก็ได้ลงโทษอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารในที่นี้หมายถึงวิบากของกรรมและพระพุทธเจ้าได้ทรงจาแนกสังขารออกเป็นสามอย่างคือปุญญาพิสังขารซึ่งหมายถึงวิบากของกุศลอปุญญาพิสังขารหมายถึงวิบากของอกุศลอเนนชาพิสังขารหมายถึงวิบากของอรูปฌานโปรดสังเกตว่า แม้แต่วิบากของกุศลก็เกิดจากอวิชชาหรือพูดอีกนายหนึ่งการกระทาที่เป็นกุศลซึ่งจะก่อให้เกิดวิบากที่เป็นกุศลนั้นก็เกิดจากอวิชชาผู้ที่พยายามบําเพญาญ็ญฌานจนกระทั่งได้รูปฌานและอรูปฌานการกระทาที่ว่านี้ก็เกิดจากอวิชชาความหมายของหัวข้อนี้ น้อยคนนักที่จะเข้าใจเพราะเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาจำเป็นที่จะต้องศึกษาหัว ข, ข้ออันนี้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งซึ่งถ้าเข้าใจดีแล้วจะช่วยทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายระงับความฟุ้งซ่านได้ดีมากอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร โปรดจำไว้ให้ดีว่าสังขารในทีน่นี้หมายถึงวิบากของกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลการที่จะพิจารณาให้เข้าใจหัวข้ออันนี้ก่อนอื่นท่านจะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าอาวิชามีความหมายอย่างไรบ้างอาวิชาแปลว่าความไม่รู้แจ้งซึ่งหมายถึงไม่รู้แจ้งในอริยศาสีไม่รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาท ไม่รู้แจ้งในตรายลักษ์อวิชาไม่ได้มีความหมายว่าพระอรหันต์ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆดังที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบันก็แปลว่าท่านยังมีอวิชาโปรดอย่าแปลวความหมายตามรูปศัพ์อะไรที่ยังไม่รู้แจ้งก็เรียกอวิชาทั้งนั้นความหมายของคำนี้ไม่ได้หมายความเช่นนี้ เรื่องอื่นจะรู้เรื่องไม่รู้ไม่สาคัญแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งในเรื่องอริยศาสีไม่รู้แจ้งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่รู้แจ้งในเรื่องไตรลักษณ์ก็แปลว่ายังมีอวิชชาอยู่อันหนึ่งคําว่าไม่รู้แจ้งในที่นี้มีความหมายอยู่อย่างหนึ่งว่าตราบใดที่ตันหาอุ ป, ปาทานยังมีอยู่ในสันดาน แม้จะมีความรู้แตกฉานในธรรมสักเพียงไรก็ตามก็ได้ชื่อว่ายังมีอวิชชาเพราะความหมายที่ว่าอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่นั้นในความหมายอันหนึ่งก็คือการไม่รู้แจ้งในนิโรธและตราบใดที่ตัณหาอุปาทานยังไม่สิ้นไปจากสันดานการที่จะรู้แจ้งในเรื่องนิโรทย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะคำว่านิโรธหมายถึงความดับไม่มีเหลือของตัณหาอุปาทานการรู้แจ้งตามตัวหนังสือหรือตามความนึกคิดของตัวเองโดยที่ยังเข้าไม่ถึงตัวจริงว่าความดับไม่มีเหลือของตัณหาอุปาทานานั้นเป็นอย่างไรการรู้แจ้งตามตัวหนังสือแม้ว่าตัวเองจะรู้สึกว่า ตนเข้าใจในเรื่องธรรมแตกฉานก็ยังถือว่ามีาวิชาอยู่นั่นเองความหมายอันนี้โปรดจำไว้ให้แม่นอย่าหลงในความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการปฏิบัติการอธิบายในหัวข้ออันนี้ผู้อ่านจะเข้าใจชัดก็ต่อเมื่อหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาอธิบายทีละประเด็น และเมื่อหยิบประเด็นอันไหนขึ้นมาที่ายผู้อ่านก็ต้องพยายามทาความเข้าใจให้ดีและเมื่อเข้าใจดีแล้วจึงค่อยศึกษาในแง่อื่นสําหรับแง่ที่จะศึกษาในวันนี้โปรดจาไว้อย่างเดียวว่าอาวิชาก็คือความไม่รู้แจ้งว่าความนึกคิดทุกๆอย่างการกระทำทุกๆอย่างไม่ใช่ตัวเรานึกคิด หรือตัวเราทำไม่ใช่ของของเราเพราะความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีความนึกคิดอันนั้นก็มีไม่ได้เช่นคนที่ไม่เคยหัดดื่มเหล้าวิบากของการดื่มไม่มีความคิดที่จะดื่มเหล้าย่อมจะไม่เกิดขึ้นเมื่อความคิดไม่เกิดการกระทา คือการดื่มก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้โปรดบริกรรมบ่อยๆว่าความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีความคิดอันนี้มันจะมีไม่ได้ซึ่งหมายความว่าในขณะที่เรากำลังทำสมาธิอยู่นั้นถ้าหากมีความคิดอะไรเกิดขึ้นให้พยายามพิจารณาให้เห็นแจ้งว่า มันเกิดมาจากวิบากอะไรเมื่อมองเห็นตัววิบากของมันแล้วก็จะรู้ทันทีว่าความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นย่อมไม่ใช่ตัวเราและของของเราอย่างแน่นอนเพราะความคิดทุกอย่างดับได้สูญสิ้นได้เปลี่ยนแปลงได้แม้วิบากที่มีอยู่ในสันดานก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา เพราะวิบากทุกอย่างเกิดจากการกระทําถ้าการกระทําไม่มีวิบากย่อมมีไม่ได้เขาพเจ้าเคยให้ตัวอย่างมาแล้วว่าคนบางคนในบางขณะที่มีความคิดในทางไม่ดีเกิดขึ้นเช่นคิดจะฆ่าสัตว์คิดจะลักทรัพย์คิดจะโกงผู้อื่นแม้ว่าในชีวิตนี้ จะไม่เคยประกอบกรรมอันนี้มาเลยก็ตามถ้าความคิดในทํานองนี้เกิดขึ้นแม้เป็นบางครั้งบางคราวนั่นก็หมายความว่าในชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์และเคยรักทรัพย์มาแล้ววิบากของกรรมนี้มีอยู่ความคิดในทํานองนี้จึงได้เกิดขึ้นส่วนพระระยะบุคคลวิบากของกรรมในทํานองนี้ในสันดานไม่มีเลย เพราะฉะนั้นความคิดในทำนองนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจากตัวอย่างที่อธิบายมาให้ฟังนี้ท่านจะมองเห็นความจริงได้อย่างหนึ่งว่าวิบากก็คือแรงดันที่มีอยู่ภายในนั่นเองซึ่งหมายความว่าความคิดต่างๆแม้เพียงจะคิดอยู่แต่ในใจมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวิบากของมันมี การกระทำทางกายและทางวาจาก็เช่นเดียวกันซึ่งต้องผ่านความนึกคิดมาก่อนกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวิบากของมันมีและวิบากที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในสันดานมีอยู่ในสันดานก็ต่อเมื่อได้ทำกรรมอันนั้นมาแล้วโปรดจาไว้ให้แม่นว่าวิบาคือแรงดัน การทำสมาธิความมุ่งหมายอันหนึ่งก็คือต้องการจะระ ง, งับความคิดทุกๆอย่างรวมทั้งความคิดในทางกุศลเพราะถ้ายัางระ ง, งับความคิดไม่ได้ก็เข้าฌานขั้นสูงไม่ได้โปรดจําไว้ก่อนว่าการรู้แจ้งในธรรมขั้นสูงนั้นใช้ความนึกคิดไม่ได้ผู้ที่จะรู้แจ้งธรรมขั้นสูง จะต้องสามารถบังคับความคิดทุกอย่างให้หยุดและปล่อยใจให้สงบมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวทุกขณะจิตและในที่สุดความรู้แจ้งจะเกิดขึ้นเองโดยอาศัยการเพ่งพิจารณาดูสภาวะต่างๆภายในจิตใจพิจารณาดูเฉยๆโดยไม่ต้องใช้ความนึกคิด เพราะถ้าใช้ความนึกคิดจะรู้แจ้งไม่ได้เนื่องจากความคิดทุกอย่างย่อมต้องอาศัยภาษาและต้องอาศัยความจำและต้องอาศัยประสาทสัมผัสซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของจำกัดเช่นตาเห็นได้เฉพาะบางอย่างและคนเราจะจำอะไรได้ก็เฉพาะบางอย่างภาษาหรือคำพูดแต่ละคา ก็เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์คร่าวๆแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งภาษาไม่อาจจะบอกความหมายแห่งความจริงได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะรู้แจ้งความจริงในขั้นสูงจึงใช้ความคิดไม่ได้ตามหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าการรู้แจ้งอริยสัจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ จิตอยู่ในขั้นจตุตถาชานผู้ที่เข้าถึงฌานขั้นนี้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างยิ่งและความนึกคิดไม่มีเลยข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าจุดประสงค์ของการเข้าสมาธิอันหนึ่งก็คือเพื่อต้องการระงับความคิดทุกอย่างและคำว่าวิบากก็หมายถึงแรงดันที่มีอยู่ภายในซึ่งแรงดันที่ว่านี้ พร้อมที่จะก่อให้เกิดความนึกคิดและก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆในเมื่อมีเครื่องราวคล้ า, ลายๆกับหน่อหญ้าคาที่ฝังอยู่ในดินและยังไม่ตายถ้าหากในขณะนั้นดินแห้งแล้งต้นหญ้าคาก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาจากดินแต่ถ้าดินได้รับน้ามันก็จะแทงหน่อของมันขึ้นมาทันทีข้อนี้ฉันใด นีบากต่างๆทั้งในฝ่ายกุศลและอกุศลที่สะสมไว้ในสันดานก็เหมือนกันมันพร้อมอยู่เสมอที่จะก่อให้เกิดความนึกคิดถ้าหากมันได้ประสบกับอารมณ์ที่เคยก่อให้เกิดวิบากอันนั้นคนส่วนมากที่เข้าสมาธิกันไม่ได้ก็เพราะไม่เข้าใจภาวะอันนี้และควบคุมภาวะอันนี้ไม่ได้ อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารซึ่งหมายความว่าแรงดันต่างๆมีขึ้นได้ก็เพราะตัวอวิชาคำว่าอาวิชาในความหมายอันหนึ่งก็คือความไม่รู้แจ้งว่าความคิดทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราถ้าหากผู้ใดรู้แจ้งความจริงข้อนี้ และในขณะธรรมสมาธิก็ซึ่งในความจริงข้อนี้อยู่ทุกขณะก็จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นโปรดนึกถึงหลักมิบาคือแรงดันและแรงดันที่ว่านี้เกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ในสันดานและพร้อมที่จะก่อให้เกิดความนึกคิดก็เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยคือเพราะไม่รู้แจ้งว่า ความคิดก็ดีวิบากก็ดีไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากรู้แจ้งและสำนึกได้เสมอทุกขณะถึงความจริงข้อนี้แรงดันที่มีอยู่ก็จะอ่อนกำลังและพร้อมกันนั้นในเมื่อนึกถึงอนัตตาบ่อยๆและทุกขณะที่นึกถึงก็เข้าใจความจริงจำแจ้ง การนึกถึงอนัตตาบ่อยๆก็เท่ากับเป็นการสร้างวิบากในทางตรงกันข้ามคือวิบากของสมาธิและวิปัสสนาถ้าวิบากอันนี้มีมากในสันดานการเข้าสมาธิก็จะกลายเป็นของง่ายมากความคิดทุกอย่างที่เกิดอยู่ไม่ว่าจะรุนแรงสักเพียงไรก็ตามสําหรับคนที่มีวิบากของสมาธิ และวิปัสนาแก่กล้าเขาจะสามารถเข้าสมาธิได้ทันทีระงับความคิดที่ไม่ต้องการได้ทันทีคนที่ทําอะไรถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย่อมจะได้รับความสําเร็จช่างแก้วิทยุหรือช่างประกอบเครื่องรับวิทยุที่เขาทําได้เป็นผลสําเร็จก็เพราะเขาเข้าใจกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้ดีมาก และทำไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นผู้ที่ฝึกสมาธิก็เหมือนกันถ้าเข้าใจกฎเกณฑ์อย่างละเอียดก็ย่อมจะสามารถเข้าสมาธิได้ดีและเข้าได้ง่ายจุดประสงค์ของการฝึกสมาธิก็เพื่อต้องการจะระงับความคิดที่ไม่ต้องการและในการรู้แจ้งธทมขั้นสูงโดยเฉพาะก็คือการรู้แจ้งอริยสัจ และความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาต่างๆจะใช้ความคิดไม่ได้ต้องดับความคิดให้หมดจึงจะสามารถรู้แจ้งได้อย่าลืมว่าการรู้แจ้งอริยสัจก็ดีอภิน ญ, ญาต่างๆก็ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้จะตุทชาญทั้งต้องมีวสีในชาญ น, นี้ด้วยและคนที่เข้าสมาธิไม่ได้ อุปสรรคก็คือความคิดฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราพยายามที่จะควบคุมความคิดให้ได้หรือตัดความคิดให้ได้แล้วผลสําเร็จในทางสมาธิก็เป็นอันหวังได้แน่นอนแต่อย่างไรก็ดีการเอาชนะความคิดเป็นงานที่ยากที่สุดการทําอะไร ถ้ารู้จักวิธีทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์แม้งานนั้นจะยากเสียเพียงไรก็ตามก็สามารถทำได้สำเร็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วก่อนว่าสังขารซึ่งหมายถึงวิบา ก, กรรมต่างๆนี้ถ้าจะพูดอีกในเนี่ย ก็คือแรงดันต่างๆที่มีอยู่ภายในสันดานและพร้อมอยู่เสมอที่จะก่อให้เกิดความนึกคิดโปรดสังเกตว่าแม้คนที่หมกมุ่นคิดแต่ในทางดีถ้าตัดความคิดไม่ได้ก็ไม่อาจจะเข้าสมาธิได้ขอให้สังเกตว่าวิบากของกุศลก็เกิดจากอวิชชาและนั่นจะหมายความว่า คนที่คิดแต่ในทางดีอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นการคิดด้วยวิชาหรือมีอวิชาหนุนหลังผลที่ได้รับก็คือเมื่อความคิดเหล่านี้ฟุ้งขึ้นมาก็ไม่อาจจะระ ง, งับได้ตามความตั้งใจเพราะฉะนั้นวิบาสของความดีก็เป็นอุปสรรคของสมาธิได้เหมือนกันจงสังเกตว่า พระอาราหันต์ซึ่งอวิชชาในสันดานไม่มีแล้วแต่ความดีต่างๆที่ท่านสะสมเอาไว้ก็มีอยู่มากมายในสันดานของท่านแต่ความดีเหล่านี้ไม่เรียกว่าวิบากเพราะไม่มีแรงดันซึ่งหมายความว่าความคิดทุกอย่างท่านพร้อมที่จะปล่อยวางได้ทันทีไม่ว่าความคิดอันนี้ จะกำลังดำเนินอยู่ในเรื่องที่สำคัญก็ตามความคิดทุกอย่างเมื่อต้องการจะรังงับเมื่อไรท่านก็รั ง, งับได้ทันทีเพราะโดยสัญานหรือโดยพื้นฐานอันแท้จริงของท่านใจของท่านว่างอยู่ตลอดเวลาคือไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันอยู่กับอารมณ์ทุกอย่างดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบไว้ว่า เหมือนกับน้ำค้างบนใบบัวหรือเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มจงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความรู้มากมายแต่พระองค์ไม่มีความฟุ้งซ่านเลยความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ไม่อาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงปล่อยวางในความคิดทุกอย่าง เป็นการปล่อยวางชนิดที่เรียกว่าเป็นแบบธรรมชาติหรือแบบอัตโนมัติเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี้ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งอยู่ทุกขณะทรงสำนึกได้ตลอดเวลาว่าความรู้ทุกอย่างความคิดเห็นทุกอย่างวิบาททุกอย่างเป็นสังขารคือเป็นสังฆตาธรรม เป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราและพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ทรงได้รับประโยชน์จากการปล่อยวางอยู่ทุกขณะจิตและทรงดูแจ้งอยู่ทุกขณะจิตว่าการยึดถือในเรื่องตัวตนเป็นความหลงผิดเป็นสาเหตุของความทุกข์ทรมานทุกๆอย่าง ส่วนการปล่อยวางเป็นความพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดและก็มีอยู่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคนเราพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเหตุที่ตันหาอุ ป, ปาทานในสันดานไม่มีสันดานของพระองค์บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาและได้รับประโยชน์จากการปล่อยวางหรือจากความบริสุทธิ์อันนี้อยู่ทุกขณะจิต และทรงทราบเป็นอย่างดีว่าการปล่อยวางประเสริฐกว่าอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่ความยึดถือในสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งสัญดาลของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เช่นนี้โปรดสังเกตว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งอยู่ทุกขณะจิตว่าตัวเราไม่มี ความคิดทุกอย่างความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะเหตุ น, นี้แรงดันจึงไม่มีแรงดันที่ว่านี้หมายถึงแรงดันชนิดที่เมื่อมีปัจจัยแล้วมันจะต้องก่อให้เกิดความนึกคิดตามวิบากของมันจนได้ใครๆก็ยับยั้งไม่ได้ซึ่งมันเหมือนกับเมล็ดผลไม้ที่สมบูรณ์ เมื่อได้รับปัจจัยคือดินฟ้าอากาศที่เหมาะแก่มันมันก็จะต้องงอกขึ้นมาจนได้เทวดาหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไม่อาจจะยับยั้งได้แรงดันแห่งวิบากย่อมเปรียบได้กับแรงดันของอำนาจที่มีอยู่ภายในเมล็ดเพราะเหตุนี้ผู้ทุชนซึ่งยังมีแรงดันอยู่มากจึงไม่อาจจะระ ง, งับความคิดได้โปรดจำให้แม่นว่า แรงดันที่ว่านี้จะอ่อนกำลังลงทันทีถ้าหากสำนึกได้ว่าความคิดทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราวิบากที่มีในสันดานก็เหมือนกันการสำนึกได้เช่นนี้ก็คืออวิชาน้อยลงถ้าสำนึกได้ทุกขณะจิตโดยไม่เผลอเป็นการสำนึกได้ชนิดที่เป็นอัตโนมัติหรือเป็นแบบธรรมชาติตาย ต, ายตัว ถ้าสํานึกได้อย่างนี้ก็แปลว่าอาวิชชาในสัญดานไม่มีแล้วพระราหันควบคุมความคิดได้ทุกอย่างสามารถที่จะปัดความคิดทุกอย่างออกไปได้ทันทีแล้วใจก็จะว่างขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากหรือต้องออกแรงแต่ประการใดแต่ปุถุชนจะทําอย่างนั้นไม่ได้ท่านมองเห็นแล้วหรื อ, อยังว่า อวิชาคือความไม่รู้แจ้งในเรื่องไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เกิดวิบากแม้ข้าพเจ้าจะได้พูดมาแล้วบ่อยครั้งแต่ก็ใครที่จะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพูดถึงวิบากคือประสบการณ์ต่างๆที่เก็บเอาไว้ในสันดานนานจะนับว่าเป็นวิบากก็ต่อเมื่อมีแรงดันและแรงดันที่ว่านี้จะยังคงมีอยู่ ก็เพราะยังมีอวิชชาคือยังไม่รู้สึกว่าความคิดทุกอย่างวิบากทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราพระราหันก็มีประสบการณ์ต่างๆที่เก็บเอาไว้แต่เพราะไม่มีแรงดันจึงไม่เรียกว่าวิบากในเรื่องอนัตตลักษณะสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า จิตของพระปัญจวัคคีย์ได้หลุดพ้นจากอวิชชาที่หมักหมมอยู่ในสันดานก็เพราะไม่มีอุปาทานคือไม่ยึดถือว่าเป็นจะขันเป็นตัวเราหรือของของเราพระปัญจวัคคีย์ได้มองเห็นถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรามองเห็นชัดว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงเป็นมายาด้วยการมองเห็นความจริงอันนี้จึงทําให้ความยึดถือในเรื่องเบญจขันธ์หมดไปและเมื่อความยึดถือไม่มีแล้วอวิชาก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกการเทอวิชาไม่เกิดขึ้นมาอีกนั้น เป็นเพราะรู้ความจริงเสร็จแล้วว่าเบญจขันธ์ไม่มีจริงและมองเห็นชัดว่าการที่เคยยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นเป็นความหลงผิดและมองเห็นโทษต่างๆที่เกิดจากความหลงผิดอันนี้และพร้อมกันนี้ก็ได้รับประโยชน์อย่างน่าพึงพอใจที่สุดจากการที่ไม่ยึดถือเบญจขันธ์ ด้วยเหตุนี้อวิชชาคือการที่จะเข้าใจผิดว่าเบนจะขันเป็นตัวเราหรือเป็นของเขาเรานั้นจึงไม่อาจที่จะเกิดได้อีกต่อไปและความยึดถือต่างๆอย่างที่เคยมีมาก็ไม่อาจที่จะเกิดได้อีกเมื่ออวิชชาก็ไม่มีอุปาทานก็ไม่มีตัณหาก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อกิเลสเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์ต่างๆที่สะสมไว้ในสันดานก็ไม่อาจที่จะมีแรงดันเกิดขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแรงดันเมื่อก่อนนั้นควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เมื่อได้รับปัจจัยภายนอกเช่นได้ประสบกับอารมณ์ที่จะยั่วให้กิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นความนึกคิดที่เกี่ยวกับกิเลสเหล่านั้นก็จะต้องเกิดขึ้นทันที ทำอย่างไรก็ห้ามไม่ได้แต่มาบัดนี้ประสบการณ์ต่างๆที่สะสมไว้ในสันดานนานควบคุมได้หมดทุกอย่างจะให้ความคิดในเรื่องไหนเกิดขึ้นหรือจะไม่ให้เกิดขึ้นทำได้ตามความตั้งใจทุกอย่างเพราะโดยเนื้อแท้แห่งจิตใจของท่านนั้นจิตใจว่างอยู่ตลอดเวลาคําว่าว่างในที่นี้ ไม่ใช่หมายความว่าความนึกคิดต่างๆจะไม่มีหรืออารมณ์ต่างๆจะไม่มีไม่ใช่เช่นนั้นแต่มันคล้ายๆกับว่าคนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงแล้วแม้จะไม่ทำงานอะไรเลยก็มีเงินเหลือใช้สำหรับคนประเภทนี้ถ้าหากเขาจะทำงานอะไรก็ไม่ใช่ทำเพื่อเงิน ในเมื่อเขาพอใจในฐานะที่เขามีอยู่ไม่ทะเยอทะยานอีกต่อไปสำหรับบุคคลประเภทนี้ย่อมเป็นอิสระในการทำงานไม่ใช่ทำงานด้วยความจำเป็นแต่ที่ทำก็เพราะพอใจที่จะทำและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจากการกระทำอย่างนี้ คนประเภทนี้จึงพูดได้ว่าเขาเป็นคนว่างทั้งที่ทำงานอยู่เสมอและใจย่อมสบายตัวอย่างอันนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงเปรียบเทียบในบางส่วนไม่ใช่จะเหมือนกับภาวะของผู้ที่หลุดพ้นแล้วจริงๆภาวะแห่งจิตใจของผู้ที่สิ้นแล้วโดยสิ้นเชิงซึ่งอวิชาตันหาและอุปาทานนั้น เป็นการยากที่จะพูดให้คนที่เข้าไม่ถึงเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ให้ไว้นั้นก็พอจะทำให้เข้าใจได้บ้างอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือวิบากโปรดจำไว้ให้แม่นอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพูดถึงวิบากย่อหมายถึงประสบการณ์ต่างๆที่สะสมไวในสันดาน และประสบการณ์เหล่านี้มีแรงดันอย่างชนิดที่ใครๆก็ไม่อาจที่จะยับยั้งมันได้ถ้าหากว่ามันได้รับปัจจัยภายนอกถ้าอาวิชชาไม่มีแรงดันที่ว่านี้ก็จะหมดสิ้นไปแต่ประสบการณ์ต่างๆที่สะสมไวน้นานถ้าต้องการจะเรียกขึ้นมาใช้เมื่อไรก็สามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้ทันที ถ้าจะพูดอย่างภาษาปัจจุบันคนที่ไม่มีวิชาตั้นหาและอุปาทานเป็นบุคคลที่สมองใสามากซึ่งหมายความว่าเรื่องต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วเมื่อต้องการที่จะเรียกขึ้นมาใช้เมื่อไรมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเกิดขึ้นมาอย่างว่องไวทันกับเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นได้ว่าคนที่พยายามปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีการปล่อยวางซึ่งตัวตนนั้นในแง่หนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าจะทำให้สมองดีขึ้นแจ่มใสขึ้นแต่จะแจ่มใสแค่ไหนนั่นย่อมขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยวางและสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่ฝึกสมาธิและเจริญวิปั ส, สนาเพื่อการปล่อยวางแม้หากว่าท่านผู้นั้นจะยังไม่สำเร็จเป็นพระริยะบุคคลยังเป็นปุถุชนอยู่ยังกำหนดไม่ได้ว่าอีกกี่ชาติจึงจะได้เป็นพระราหารันแต่เพราะเหตุที่ค่อยๆเข้าใจว่าอันที่จริงแล้วตัวเราไม่มี ถ้าหาความเข้าใจที่ว่านี้ค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นก็ย่หมายถึงว่าวิบากแห่งการปล่อยวางกําลังเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับอยู่ในสันดานวิบากแห่งการปล่อยวางนี้คือต้นเหตุที่แท้จริงของการที่จะทำให้เกิดมามีสมองแจ่มใสศึกษาอะไรได้ว่องไวเข้าใจอะไรได้ง่าย แต่จะไม่ติดอยู่ในความคิดที่ล้าสมัยหรือความเข็นที่ไม่มีเหตุผลเป็นบุคคลที่สามารถจะเข้าใจความคิดของคนอื่นได้ง่ายประณีประนอมความคิดต่างๆได้ดีบุคคลประเภทนี้ย่อมเกิดมาเพื่อเป็นหัวหน้าคนโดยแท้จริงผลที่กบเจ้ากล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนเท่าที่คนทั่วไปพอจะมองเห็น ส่วนประโยชน์ของการปล่อยวางอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ยังมีอีกมากมายแต่เป็นการยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงเพราะฉะนั้นจึงของดไว้ก่อน